มีครูท่านหนึ่งนะชื่อครูสุรินท่านเป็นครูที่มีคนเคารพนับถือมากนะโดยเพราะในจังหวัดอุธยาเสียนไปได้ยีสิปีแล้วท่านมีเรื่องเล่านะเกี่ยวกับอดีตนะน่าสนใจมากมายนะโดยเพราะในชุมชนของท่านคือที่สาครนะีจังหวัดอุธยาเราว่าเนี่ยตอนท่านยังหนุ่มเนี่ยนะมี คนจีงคนหนึ่งนะเปิดร้านโชว์หวยแล้วก็มีคนอุดหนุนเยอะลูกค้ามากจนฐานะดีเรียกว่าร่ำรวยเลยชาว บ, บ้านเรียกว่าเท่าแก่กังนะเน่ะเถ้าแก่กังนี่มีภรรยาเป็นคนไทยนะและสองคนนี้ก็มีปากเสียงกันอยู่ บ, บ่อยๆแต่ไม่ถึงกันทะเลาะ ก, กันตัวภรรยาเนี่ยชอบทำบุญให้กับวัดนะใส่บาตรเป็นประจำทุกวัน ส่วนเจ้าแก่กังนี่แกชอบช่วยเหลือชาวบ้านนะช่วยเหลือชุมชนนะเป็นคนมีน้ำใจมากมีคราวหนึ่งนะเด็กเนี่ยมาซื้อน้ำตาลปีครึ่งโลจากร้านของเจ่าแก่กังแล้วพอจะกลับบ้านเนี่ยเดินขึ้นเรือเพราะว่าก้าวเท้าพลาดนะตกลงไปในคลองเลย น้ำตาลที่ซื้อมาละลายหมดเลยโอ้เด็กนี่ก็ใจเสียเลยนะเจ้าแก่กลังพอลูกเข้าก็บอกให้เด็กมาเอาน้ําตาลปีป๊บให้ฟรีเลยนะทดชดเชยของเดิมที่มันละลายไปในน้นะําแล้วเมียลูกเข้าก็ไม่พอใจนะถามว่าให้ไปทําไมนะมันตกน้ําก็เป็นเรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของเราเจ้าแก่กังบกเรื่องของเราเสียนะ เด็กเนี่ยถ้ากลับไปบ้านไม่มีน้ำตาลนะแม่ก็ตีนะแต่ถ้าแม่เขารู้ว่าร้านเนี่ยนะให้น้ำตาลชดเชยเขาก็พอใจแล้วเขาก็จะมาอุดหนุนล้านเราเรื่อยๆนะเมียพอได้ฟังชนี้ก็โ อ, อ้สบายใจนะเห็นด้วยนะ มีคราวหนึ่งนะชาวบ้านเนี่ยเขาเรียลัยเงินเพื่อซ่อมสะพานข้ามคลองสะพานนั้นก็อยู่ไม่ไกลจากร้านเท่าแก่กังเจ้าแก่กังก็ให้เงินนะให้เงินไปพอสมควรเลยแล้วก็ให้ของด้วยให้ทั้งตะปูให้ทั้งนอ็อตนะไม้ด้วยทั้งนั้นไปพ อ, อยังให้ข้าวนะให้หวัชัยโป้ให้ปากกาดอง ผักกระป๋องผักกากระป๋องเอาไปาหุงข้าวนะจะได้มีแรงซ่อมสะพานและแถมยังให้ถูกเขียวน้ำตาลอีกนะเอาไปเป็น เ, เป็นขนมกินกันให้กับช่างที่ซ่อมสะพานเมียลูกเ้าก็ไม่พอใจบอกว่า ให้เงินอย่างเดียวก็พอแล้วนะไปต้องให้ของเยอะแยะด้วยอย่างนี้เราก็จนเน่ยเ้าแก่กลับกว่าเราจะจนได้ยังไงนะสะพานเนี่ยนะถ้าสร้างเสร็จเนี่ยซ่อมเสร็จเนี่ยนะคนก็มาซื้อของที่ร้านเรานี่ได้สะดวกนะแต่ถ้าไม่มีสะพานนะก็ไปซื้อของที่ร้านอื่นนะ มีสะพานเนี่ยดีนะลูกค้าได้เยอะเพราะนั้นเนี่ยเราก็ควรจะช่วยนะอุดหนุนการซ่อมสะพานให้มันดีเมียฟังก็ได้ยินนี่ก็เลยเออยอมนะไม่เถียงด้วยถ้าแกกลางนี่ก็เป็นคนฉลาด น, นะคือแกมองว่าเนี่ยความสุขสบายของเราเนี่ย กความสุขสบายของชาวบ้านนี่มันมันเป็นเรื่องเดียวกันถ้าชาวบ้านสุขสบายนะเราก็พอสุขสบายไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากให้ตัวเองสุขสบายนี่ก็ต้องพยายามช่วยเหลืออุดหนุนชาวบ้านช่วยเหลือชุมชนนะข้อเดือดร้อนอะไรก็ช่วยนะอย่าคิดแต่จะเอาแก้ขายของแก้ขายของ เอากำไรน้อยนะซึ่งบางทีเมียก็ไม่พอใจว่าวเนี่ยกำไรน้อยมันจะดีเลอรเท่าแกกางกับบอกกาไรน้อยเนี่ยคนก็จะมาซื้อเยอะถ้าเราเอากำไรมากคนก็มาซื้อน้อยนะที่เรามีลูกค้าเยอะก็เพราะเราเอากำไรน้อยนะเราจึงอยู่ได้แล้วก็สบายด้วยที่เราเป็นคนที่เห็นการไกลก็ได้แล้วก็เห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงนะระหว่าง ผู้อื่นกับเรานะเราจะสบายได้ก็เพราะคนอื่นนี่เขาสบายก็ามีความสุขนะอันนี้จะเรียกว่าเป็นภูมิปัญญางชาวบ้านก็ได้นะของคนในชุมชนสมัยก่อนคุศริลวันเนี่ยที่เสนาอตาครีเนี่ยสาคลีเนี่ยนะก็มีป้าคนหนึ่งนะชื่อป้าล้อม เวลาแกจ้างคนมาเกี่ยวข้าวเนี่ยแกก็จะให้เขาเนี่ยทิ้งรวงข้าวไว้ส่วนหนึ่งที่มุมของนาแล้วทำมีทุกแปลงเลยครูสุรินทร์ก็สงสัยถามว่าไปถามกัาว่าเนี่ยเกี่ยวข้าวแล้วทิ้งข้าวทำไมให้บอกไม่ได้ทิ้งนะให้รวงข้าวที่วางไว้ตรงนั้นเนี่ยนะ ไหวบูชาเชียร์ปียดาฟาดินแล้วก็ให้นกหนูมากินด้วยครูสุรินก็แย้งว่าเนี่ยนกหนูจะกินทันได้ยังไงคนก็มากินเอามากินเอาไปกินซะก่อนก็ดีเสีนะจะได้แบ่งกันให้ทั่วถึงไม่หวงเหรอปลาล้อม บ, บอกจะหวงได้ยังไงฉันพอแล้วเมื่อมีพอก็แบ่งปันกันถ้าว่าฉันเนี่ยนะมีข้าวกินอิ่ม แต่คนอื่นเนี่ยไม่มีข้าวกินแล้วหิวเนี่ยฉันจะเป็นสุขได้อย่างไรเพราะประโยคนี้เนี่ยมันมันสะท้อนทั้งคุณธรรมแล้วก็ปัญญานะคือเห็นว่าเนี่ยเราจะสุขได้เนี่ยก็เพราะคนอื่นเนี่ยเขามีความสุขด้วยเราอิ่มแต่คนอื่นหิวเนี่ยมันสุขไม่ได้หรอกนะมันไม่ใช่แค่มีความทุกข์ใจนะ้วต่อไปอาจจะทุกข์กายด้วยนะเพราะว่าเพราะ คนไม่มีกินหนักเข้าก็อาจจะปล้นนะไม่เกิดความสงบไม่เกิดความสุขขึ้นมาป้าล่องมาเท่ากับกลางนี่ก็คิดเหมือนกันนะว่าเรากับคนอื่นนี่มันความสุขนี่มันเชื่อมโยงกันสัมพันธ์กันเราจะสุขได้ก็เพราะคนอื่นมีความสุขด้วยเราจะสบายก็เพราะคนอื่นมีความสบายเพราะนั้นเนี่ยนะอย่านึกถึงแต่ตัวเองจนลืม นึกถึงคนอื่นนะต้องช่วยเหลือเอื้อเฟื้อกันบ้างอันนี้จะเรียกว่าเป็นการรักตัวเองที่ถูกต้องก็ได้นะรักตัวเองก็ย้ายตัวเองมีความสุขก็ต้องรู้จักเอื้อเฟื้อแบ่งปันให้คนอื่นด้วยนะไม่ใช่แค่คนอย่างเดียวนะแต่ว่ารวมทั้งนกหนูด้วยนะอย่างป้านล้อมเนี่ยเกี่ยวข้าวแล้วก็ให้นกหนูได้กินบ้างหรือว่าคนที่ยากไร้ะป้าล้อมก็บอกเนี่ยคนที่ไม่มีนาไม่มีข้าวกินก็เยอะนันก็ต้องแบ่งปันกันมันถึงจะอยู่กันได้มีความสุข อันนี้เป็นภูมิปัญญานะซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยคนก็มองข้ามไปแล้วคิดแต่จะเอาอย่างเดียวคนอื่นจะเป็นยังไงฉันไม่สนใจอันนี้รวมถึงสิ่งว่าล้อมด้วยสิ่งว่าล้อมมันจะพินาศยังไงฉันไม่สนใจฉันขอสุขสบายไว้ก่อนฉันขอรวยก่อนนะธรรมชาติจะแย่คนอื่นจะลาบาก ย, ยังไงเป็นเรื่องของเข้าไม่ใช่เรื่องของเราที่จริงเป็นเรื่องของเรามากเลยนะอย่างที่เท่าแก่กังยว่านี่